02-549-3043 หรือที่ w w w ร์ไวยเว็บ t อต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขอาสาดำเนินรายการโดยนัทพลดีอุดควบคุมรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์กุลกนิษฐ์ทองเงาสร้างสารและผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี จะให้โดยมีหวังสิงนใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราติตอาสามุ่มันทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงใตยบวกแรงใจและจิตศรัทธาเงือที่ริ้ง เป็นพลังนำพาสู่ความสุ สครับคุณผู้ฟังตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขอาสนะครับกลับมาพบกับผมนะครับนัทพลดีอุดนะครับกับรายการสุขอาสาทุกคืนวันศุกร์แบบนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5สิบเมิลนะครับโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกุลกนิททองเงาเป็นผู้ควบคุมการผลิตรายการนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้นะครับสุขอาสามาพร้อมกับเรื่องราวทั้ง3ช่วงของรายการนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรมอาสางานอาสา คนอาสาต่างๆที่เราจะนํามาแชร์นํามาบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับคุณฟังครับวันนี้เรามาเริ่มต้นกันในช่วงแรกกับช่วงคิดอาสานะครับวันนี้คิดอาสามีเรื่องราวของจิตอาสามาฝากคุณผู้ฟังนะครับคุณผู้ฟังครับจิตอาสาคําที่คุณฟังหลายท่านอาจจะรู้จักกันดีนะครับแต่รู้หรือไม่นะครับว่าความหมายของมันจริงๆแล้วคืออะไรนะครับคุณฟังครับจิตอาสาหรือว่าจิตสาธารณะนะครับนั่นหมายถึงจิตสํานึกเพื่อส่วน เพราะคำว่าสาธารณะคือสิ่งที่ไม่ได้เป็นของผู้ใดผู้หนึ่งนะครับจิตสาธารณะจึงเป็นความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของในสิ่งที่เป็นสาธารณะนะครับในสิทธิและหน้าที่ที่จะดูแลและบำรุงรักษาร่วมกันนะครับด้วยจิตอาสาหรือมีจิตสาหระนี้อย่างรวมถึง จิตของคนที่รู้จักเสียสละนะครับมีความร่วมมือร่วมใจในการทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมครับจะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเป็นหลักในการดํารงชีวิตนะครับรวมถึงการช่วยแก้ไขปัญหาและสร้างสารรค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมนะครับเช่นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะฮะโดยไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ําลงในแม่น้ํารวมถึงการดูแลรักษาสาธารณสมบัติอย่างเช่นโทรศรัพท์สาธารณะหลอดไฟฟ้าที่ให้ความสว่าง ตามถนนหนทางนะครับแม้แต่การประหยัดน้ําประปาหรือประหยัดไฟฟ้าที่เป็นของส่วนรวมนะครับหรือการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างคุ้มค่าตลอดจนการช่วยกันดูแลรักษาให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากหรือผู้ที่ต้องรอความช่วยเหลือเท่าที่เราจะทําได้นะครับตลอดจนมีความร่วมมือที่จะกระทําเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหรือช่วยกันแก้ไขปัญหา แต่นะครคุณผู้ฟังต้องไม่ขัดต่อกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมนะครับโดยราชบัณฑิตยสถานนะครับก็ได้ให้ความหมายของคําว่าจิตสํานึกทางสังคมหรือว่าจิตสํานึกสาธารณะนะครับว่าคือการตระหนักรู้และคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันนะครับหรือการคํานึงถึงผู้อื่นที่ร่วมสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกันนะครับและสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติยังได้ให้ความหมายของคําว่า จิตสาธารณะนี้นะครับคือการรู้จักเอาใจใส่เป็นธุระและเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมีความสำนึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามละอายต่อสิ่งที่ผิดเน้นความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับประหยัดและมีความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาตินะครับสรุปครับคุณผู้ฟังจิตอาสาหรือว่าจิตสาธารณะ น, า น, านี้นะฮะ คือเป็นการที่เราเนี่ยตระหนักรู้ตัวหรือเป็นจิตส่วนที่เรารู้ตัวรู้ว่าเราทําอะไรนะฮะหรือว่ารู้ว่าเราอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรขณะที่เราตื่นอยู่นั่นเองนะครับส่วนคําว่าสาธารณะเป็นการแสดงออกเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมหรือเป็นการบริการชุมชนทําประโยชน์เพื่อสังคมนะครับและเป็นสิ่งของก็ต้องใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับเมื่อนำสองคามารวมกันก็จะหมายถึงการตระหนักรู้ที่จะทําสิ่งใดให้เกิดประโยชน์ แก่ส่วนรวมนะครับแล้วหากเราไปร่วมกิจกรรมต่างๆเราจะได้ประโยชน์อะไรจากกิจกรรมอาสาเหล่านี้นะครับคุณผู้ฟังครับประโยชน์มากมายของจิตสาธารณะหรือการไปทำจิตอาสาเนี่ยมีประโยชน์มากมายและที่สำคัญเนี่ยจะส่งผลดีต่อตัวเราเองได้มากมายหลายข้อเลยนะครับอย่างข้อแรกเลยจะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีความคิด ในทางที่ดีต่อคนอื่นและมีโอกาสประสบความสําเร็จมากกว่าคนอื่นนะครับข้อต่อไปจะทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างง่ายดายเป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้างและมักจะได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้างเมื่อเราเดือดร้อนนะครับและข้อที่3จะทําให้เราเนี่ยทำตัวเป็นประโยชน์เป็นที่ต้องการของสังคมและที่สําคัญเนี่ยลดความเห็นแก่ตัวของเราในตัวเราเนี่ยลงได้นะครับข้อต่อไปได้รับการเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่จากคนรอบข้างมีความเข้าใจผู้อื่น ได้ง่ายไม่ทับถมผู้อื่นไม่ซ้ําเติมผู้อื่นนะครับและที่สําคัญจิตสาธารณะการทําจิตอาสาเหล่านี้ก็จะทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีเหตุผลไม่เอาแต่ใจตัวเองเห็นใจในทุกของผู้อื่นและเราจะได้รับความรักความเมตตาความการุณาจากผู้อื่นและจะได้รับการแบ่งปันจากบุคคลรอบข้างด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับจิตอาสา มีประโยชน์ต่อเรามากมายนะครับเจ้าที่สำคัญจิตอาสาเหล่านี้จะทําให้เราเนี่ยมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นและทําให้เราเนี่ยสามารถทํางานได้กับผู้อื่นทุกสถานการณ์อย่างมีความสุขนะครับคุณผู้ฟังลองไปหาจิตอาสาทำในวันหยุดนะฮะมีวันหยุดหรือมีเวลาว่างก็ลองไปหางานอาสาจิตอาสาทำเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ต่างๆกับตัวเราเนั่นเองนะครับ คุณผังครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามกันในช่วงของคนอาสานะครับวันนี้คนอาสาผมมีเรื่องราวของพลังจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีมาฝากกันเป็นเรื่องราวอะไรนั้นติดตามได้ในช่วงหน้าครับสถานพยาบาลการแพทย์แผันไทยประยุกต์ศูนย์รังสิตโดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีให้บริการตรวจรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย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 2 8 0ร้ถึงตารางเมตรรองรับโซนกิจกรรมและแคมเปญพิเศษนอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันทั้งโปรเจกเตอร์จอทีวีขนาดใหญ่และ w i ไฟความเร็วสูงสอบถามและสำรองพื้นที่การใช้งานโทร 092318-9887 หรือที่แฟนเพจ RMUTT Innovation and Knowledge Center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 รับมากับช่วงนี้กับช่วงคนอาสาครับคุณฟังครับวันนี้คนอาสานะครับผมมีเรื่องราวของพลังจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีนะครับโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทแก้วสกุลนะครับผู้อำนวยการกองพัฒ น, นานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีเล่านะครับว่าด้วยพระราชบณิธานของในหลวงรัชกาลที่10ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจเป็นการปลูกจิตสํานึกของประชาชนชาวไทยนะครับเพื่อเป็นการสน แรงพลังจิตอาสาปลุกจิตสำนึกจิตอาสานะครับการทำประโยชน์ต่อการรับรู้ให้แก่สังคมโดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีก็ได้มีการจัดกิจ กิจกรรมนะครับเป็นโครงการจิตอาสาบูรณาการชั่วโมงกิจกรรมให้กับนักเรียนนักศึกษาในการทํากิจกรรมพัฒ น, นาสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่อยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยนะครับเพื่อเป็นการตอบโจทย์การสร้างมหาวิทยาลัยสีเขียวลดมลภาวะเพิ่มพื้นที่สีเขียวผ่านกิจกรรมพัฒ น, นาสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นการลอกผักตบชวาในคูคลองมหาวิทยาลัยด้วยพลังจิตอาสานะครับนอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตนําบลอําเภอเพื่อ ะเข้าร่วมโครงการจิตอาสาในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายนอกมหาวิทยาลัยนะครับด้วยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีเองได้ทำการคัดเลือกคนต้นแบบจิตอาสาเป็นตัวอย่างในการผลักดันในการออกไปทำงานร่วมกับ หน่วยงานต่างๆเพื่อสังคมการทำสาธารณประโยชน์นะครับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 4-5 ปีได้ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้แก่สังคมและแก่ผู้อื่นนะครับโดยคนอาสาคนแรกนั่นก็คือน้องเจกครับคุณผู้ฟังนายสุภารัตน์รัตนพันธ์นักศึกษาชั้นปีที่3คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศต้นแบบจิตอาสาได้เล่าให้เราฟังนะครับว่านำความรู้ทางด้านการเชื่อมที่ตัวเองถนัดและเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยการเชื่อมอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นคาดในการ ใช้ขุดลอกคูครองเชื่อมตะแกงใส่ขยะในการใส่ถังคัดแยกขยะนะครับด้วยกิจกรรมอาสาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยนะครับโดยน้องเชื่อนะครับว่าการที่ทำเพื่อคนอื่นแล้วสิ่งที่เราทำนั้นจะส่งผลกลับมายัางตัวเราหรือถ้าสิ่งที่เราทำนั้นไม่กลับมาแต่เมื่อทำให้คนอื่นมีความสุขนั่นคือความสุขสำหรับตัวเราแล้วนะครับโดยน้องจะนาความรู้ที่ ได้เนี่ยไปใช้ในสังคมออกค่ายราชมงคลอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติการดูแลในส่วนของโครงการสร้างอาคารเรียนหลังที่46ที่โรงเรียนบ้านห้วยตาดตําบล นาดอกคำอําเภอนาด้วงจังหวัดเลยนะครับและน้องได้ไปเป็นประธานค่ายในการสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติหลังที่747 48และก็49ให้กับศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตะเวนชายแดนที่บ้านห้วยสลุงอําเภอแม่ระมาดจังหวัดตากและอาคารเรียนหลังที่50 51ณนะสถาบันเทคโนโลยีกัมปงสปืออําเภอทับงจังหวัดกัมปงสปือราชอาณาจักรกัมพูชานะครับ ได้สร้างโรงเรียนให้กับน้องๆตามถิ่นธุรกันดาลได้เรียนหนังสือได้ให้โอกาสทางด้านการศึกษาและช่วยกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับและอีกหนึ่งคนอาสาครับคุณผู้ฟังจากคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4นั่นก็คือนายพัทรินวิริยะนะครับโดยน้องบอกว่าการเริ่มพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยถือเป็นจิต ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีสุขภาพของเราก็จะดีด้วยนะครับรวมถึงได้ทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนคณะอื่นๆโดยตัวเองได้ทำกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีและเป็นอาสาที่จัตั้งใจเรียนในการทํางานพิธีกรการดําเนินรายการตลอดจนการเป็นอาสาเข้ามาทํางานสโมสร น, นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเป็นประธานนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วยนะครับ ด้วยน้องบอกว่าทุกกิจกรรมนะครับที่น้องทำนะครับล้วนเป็นเวทีที่ทำให้ตัวเองเนี่ยได้แสดงความสามารถตลอดจนได้ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมจากการทำกิจกรรมและช่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยทำให้น้องเนี่ยได้รับโอกาสได้รับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ประเทศไต้หวันอีกด้วยนะครับ คุณฟังครับโครงการคัดเลือกและยกย่องคนดีคนเก่งมีจิตสาธาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่เป็นแบบอย่างและยกย่องนักศึกษาทั้งวิชาการคุณธรรมจริยธรรมจริตสาธารณะ ร, ร, ร, รู้จักเสียสละแบ่งปันผู้อื่นสังคมประเทศชาติเป็นเพียงส่วนหนึ่งของนักศึกษาในวิทยาลัยที่พร้อมจะทําเพื่อส่วนรวมนะครับคุณฟังครับและนี่คือ2คนดีๆที่ เรานํามาฝากในช่วงของคนอาสาในวันนี้นะครับทั้งน้องทั้ง2คนถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับที่เราเนี่ยน่านำไปเป็นตัวอย่างและที่สําคัญเนี่ยเราน่ายกย่องเทิดทูนเขาเพราะว่าเขาถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนอาสาที่มีจิตใจสาธารณะในการช่วยเหลือสังคมของเราให้หน่าอยู่ยิ่งขึ้นนะครับและนี่คือเรื่องราวในช่วงของคนอาสากับ2คนอาสาที่ผมนํามาฝากในวันนี้ครับคุณผู้ฟังและช่วงหน้านะครับผมนําเรื่องราวของ วิ่งสู่ชัยพัฒนาเพื่อชัยชนะของทุกคนนะครับเป็นกิจกรรมดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของภารกิจจิตอาสาติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ในช่วงหน้ากับภารกิจจิตอาสาครับศูนย์นวัตรกรรมความรู้ RMUTT Innovation and Knowledge Center ภายใต้การดูแลโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีเปิดโซนใหม่พร้อมให้บริการกับทุกท่านแล้วที่นี่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 0 2 5 4 9 3 0 4หหรือที่ w ว w l o t u s r m u บ t a c t h กลับมากับช่วงนี้นะครกับช่วงภารกิจจิตอาสานะครับภารกิจจิตอาสาวันนี้ผมมีเรื่องราวของวิ่งสู่ชัยพัฒนาเพื่อชัยชนะของทุกคนนะครับคุณฟังครับเนื่องในโอกาสครบรอบ30ปีของบุรีชัยพัฒนาที่มีการจัดงานวิ่งสู่ชัยพัฒนากิจกรรมวิชวลรันนะครับการกุศลที่จะวิ่งที่ไหนก็ได้นะครับและวิ่งเมื่อไหร่ก็ได้สะสมระยะทางผ่านการวิ่งทางแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ที่มีอุปกรณ์จับเวลาและระยะทางเพื่อใช้ในการส่งผลวิ่ง ซึ่งการสมัครวิ่งของทุกคนจะเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคเงินสมทบทุนให้กับมูลที่ใช้พัฒนารายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดงาน มอบสมทบทุนให้กับโมทีชัยพัฒนานะครับด้วยกิจกรรมวิ่งสู่ชัยพัฒนานี้จะมีค่าสมัคร350บาทผู้ร่วมวิ่งมีภารกิจในการสะสมระยะวิ่ง30กิโลเมตรหรือมากกว่านะครับภายในวันที่22สิ่งหาคม2562น้้ยสี้นะครับโดยสามารถสมัครผ่านทาง h t t p r a c e t h a y r u n r u n 2 c h a y p a t t a n a นะครั บ, r e. นนรบและการวิ่งยัง ทำให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงซึ่งเป็นชัยชนะของทุกคนนะครับโดยคุณประดิษฐ์สมดังเจตนะครับตัวแทนคณะผู้จัดงานกล่าวนะครับว่าจุดเริ่มต้นของงานนี้เกิดจากที่ตัวเองได้ร่วมงานอุ่นไอรักและได้รู้จักกับร้านผัดธรพัทจนได้เห็นว่าในมุลทิชัยพัฒนามีมากกว่า200โครงการอยู่ในความดูแลจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือนะครับจึงจัดทําโครงการวิ่งสู่ชัยพัฒนาขึ้นตั้งใจให้เป็นงานที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเยอะนะครับเพราะจะได้มีเงิน สมทบ ท, ทุนที่มากที่สุดนะครับจึงเกิดเป็นการวิ่งแบบบวชช่นรันนะครับเพราะผู้สมัครจะวิ่งที่ไหนบนโลกก็ได้สำหรับของรางวัลจากร้านพัตรละพัดก็จะได้รับสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์ส่วนการขนส่งของรางวัลทางบริษัทสสีพรจำกัดตัวแทน Curry e x p r e s s นะครับเป็นผู้รับผิดชอบ ส่งมอบถึงมือผู้สมัครทุกท่านโดยทางไทยส ม, มุดประกันชีวิตก็จะได้ร่วมเชิญชวนะระดมทุนให้กับสมาชิกเนี่ยร่วมวิ่งให้ได้จำนวนเยอะมากที่สุดนะครับและ The More Group จะได้สนับสนุนพื้นที่ของ d m เอคอเทียในการจัดงานเปิดโครงการนะครับนอกจากนี้ผู้ที่รับทราบข่าวงานวิ่งสู่ชัยพัฒนาก็จะสามารถร่วมบริจาคเงินให้แก่มูลทีโดยตรงได้เช่นกันนะครับ คุณผู้ฟังครับโดยกิจกรรมวิ่งสู่ชัยพัฒนานี้จะมอบของรางวัลเป็นผลิตภัณฑ์จากร้านพัทรพั์เพื่อทุกท่านจะได้ระลึกถึงว่าครั้งหนึ่งก็ได้เคยมีส่วนร่วมในการสมทบทุนให้กับมูลทิชัยพัฒนานะครับโดยผู้ที่วิ่งครบ30กิโลเมตรและส่งผลวิ่งเข้ามาเป็นลำดับ ที่ลงท้ายด้วยเลข30เช่นลำดับที่30 130 230 1 0งอย่างนี้นะฮะก็จะได้รับของรางวัลจากทางร้านพระราพัฒเป็นผลิตภัณฑ์จากน้ำมันวเรศชา จากศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและน้ำมันพืชมุลที่ใชพัฒนาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับและสําหรับ30คนแรกที่วิ่งครบ300กิโเมตรภายใน30วันจะได้รับกระเป๋าสายฝนนะครับที่ได้รับแรงบันดาลใจจากบทเพลงพระชิพลสายฝนในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษนะครับเป็นของที่ระลึกไปเช่นกันนะครับคุณผู้ฟังครับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ผมนํามาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กับช่วงภารกิจ จิตอาสาในวันนี้นะครับกับกิจกรรมวิ่งสู่ชัยพัฒนาเพื่อชัยชนะของทุกคนนะครับเป็นการออกกําลังกายและที่สําคัญเนี่ยได้สมทบทุนในการร่วมบริจาคให้กับมูลทิชัยพัฒนาอีกด้วยนะครับคุณผังครับครบทั้ง3ช่วงในรายการของสุขอาสาในวันนี้แล้วนะครับทั้งคิดอาสาคนอาสารวมถึงภารกิจจิตอาสานะฮะที่มีกิจกรรม มาเชิญชวนคุณฟังไปร่วมในการวิ่งนะฮะกับมูลนิธิชัยพัฒนานะฮะสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาของรายการสุขอาสาแล้วนะครับคุณผู้ฟังผมนะครับและทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่ได้ทุกวันศุกร์แบบนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีเอ 89.5 เมกะเฮินะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปแล้วนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังลากันไปแลครับสวัสดีครับ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 ที่รินเมืม่อที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุข